อันสาธุชน 18 ธันวาคม 2531 เหมือนกันแต่ สำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีบรรดาศรโลกพรหมโลกก็ตามนรกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมา ใครจะกล่าวโทษโทษความผิดข้อต่างใจ ความจริงมีอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความ เรื่องพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นปรารภให้ทราบ 3 บวก 6 อัน ไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนาสุขะวิมุตติโกติวิโชชระปิญโญปฏิสัมภิทัปปัตโตพระมีความจําเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจําเป็นต้องรู้ก็ แม้แต่เด็กนักเรียนก็ทําได้ <c oughs> ถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝน 8 คน รับๆแล้วได้ 8 คนจริงๆรูปร่างหน้า ความฝันนี้เข้าไปมาคลั่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์หรือดาวดินก็เป็นไปไม่ เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิพพานนอนเฉพาะนั้นทําจิตสะอาดไม่เกาะๆแต่มีอารมณ์ผ่องใสดีแล้วมันก็จิตผ่องใสอารมณ์กามารมณ์มันก็ไม่ แต่ว่าเบื้องหลังไปประมาณสัก 2 เส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดําแดงค่อน ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพของนางยักชินีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขา <c oughs> แต่วันนี้มันมีไม่เคยธรรมดา <c oughs> ว่าตอนใกล้จะตายในช่วงหลังของชีวิตทํากําลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ แต่เท่าว่าบาปยังติดตามอยู่ <c oughs> ว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังคิเตทุกขติปาติกาังขาก็เวลาจะตายจิตใจไปอกุศลแล้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันทีจิตติบริสุทธิ์เทสุคติปาติกาังขา แต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมแต ก็เลยบอกถ้าๆแต่หล่อๆยังไม่ตบๆเป็นคนๆก็ 50 ปีเศษ 60 ปี ผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่ เคยเห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแล้วก็เป็นสาวเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้ 40 ตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่าง แต่ว่าอาชีพของเธอว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลาแล้วก็ทําอะไรบ้างก็ไม่ทราบมัดๆๆจริง ยังคนพูดจะไปจับปั้ง 30 ปีเศษ 30 ปี ขายปูได้กําไรพอสมควร สภาพของปู่ทะเลก็ไม่สภาพ <c oughs> 40 ปี แต่ความจริงในตอน ธรรมประเภทปัสสาวะให้ผ่านพ้นไปฉะนั้นท่านอย่างถึงแม้จะได้บุญไม่เต็มไม่เต็มน้อยอย่างถ้า เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่อยได้แค่ได้มีข้าว 1 เราจานก็ยังดี พระราชโอตตานั้นก็เป็นพระที่ไปรับบาดประจําผ่านอยู่ แต่ก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงท่าสูงนี่ก็มาเป่าแรงกรอบเพชรเห็นวัด ก็ไปสนใจมณฑปแก้วที่เป็นกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมาก ก็มานั่งปออยู่ที่บนดบแก้ว <c oughs> <c oughs> เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้วเปลี่ยนพระใหม่พระโอนั้น <c oughs> ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปู่ลืมตาดูพระใหม่เป็นเป็นอันว่าวันแรกของ เธอก็เศร้าสลดใจต่อมาถึงการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนําบอกว่าให้ <c oughs> ท่านจะเป็นประยานให้พระบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคํา เปรียบตายเธอไม่ได้คิดถึง 500 800,000 2,000 ก็สตางค์ไม่ 100 บาท ก็ชุด 100 บาทวันรุ่งขึ้น 100 บาทก็ 100 บาทชุดเล็กแล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดู <c oughs> <c oughs> พอตอนกลางคืนเจริญกรรมฐานเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่ 2 <c oughs> ปรากฏว่าเวลาหลับตาปูกับพระแย่ง ต่อมาวันนี้ 3 ธรรมอย่างนั้นอีกวัน มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาของพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาแล้วจำภาพพระพุทธรูปบ้างดู 2 อย่างอย่างไหนเลือนจับอีกอย่างนึงเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นภาพภาพพระพุทธรูปเห็นภาพพระสงฆ์ผู้ไม่เกิดเธอเธอ เวลาที่ๆอาการป่วยปวดก็สะเสะๆมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่แล้ว มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนมัสพระภะทะบ้างพุทธโธ เมื่องงให้ปลายจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมี เห็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้สดสวยมาก <c oughs> เป็นสีอเมริกันครับเป็นเพชรสีอเมริกันไม่ค่อยสบายยังไงเฉพาะขาวก็ไม่ใช่เป็นใสนะถามเธอว่าที่ได้ เวลามีงานก็ไปอย่าปกติมากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่ เขาบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้า 4,000 คนเพิ่มประดับประดาก็มากก็ทํารู้ว่าเขาบอกเถิดว่าอยากจะเห็นฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศบ้านใส่รถดันไปได้เค้าลากไปได้ตั้งต้น ก็ถามเท็จว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเก่าเวลานี้ภาพนางยักษิณียังปรากฏอยู่เธอก็ ถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดวงสัติวะโลกเทียไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบขอให้เอาฉันไป 5 แล้วถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปสอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีไปนิพพานเวลานี้ท่านก็ และก็ที่บรรดุกัมพูชิระอาตม์เว้าที่ประชุมเทวสภาท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างก็ให้อินทร์ได้เค้าเทศแทนท่าน แล้วกรรมที่เป็นกุศลนั้นทิ้งเราหรืออย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านส่วนความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหนที่ไม่มีบาปกรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังเช่นเทวดาและนาง ก็ถามเถิดว่าเธอมีอะไร 57 ปีอาชีพเดิม 40 ปีเสก เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่าไอ้กรรมเก่าของบรรดาลูกหลานทุกคนไม่ แทนขอบรรดาลูกหลานและพี่น้อง